พระบัญญัติ538รก็พระาราชาราชอมาตพรามหรือข้าบดีผู้ใดผู้หนึ่งส่งทูตมาถวายทรัพย์เป็นค่าจีวรเจาะจงภิกษุพร้อมกับสั่งว่าท่านจงเอาทรัพย์เป็นค่าจีวร น, นี้ซื้อจีวรแล้วนิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรถ้าโทษนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมนำทรัพย์เป็นค่าจีวร น, นี้มาเจาะจงพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าจงรับทรัพย์เป็นค่าจีวรเถิดภิกษุนั้นพึงกล่าวกับทูตนั้นอย่างนี้ว่าพวกอาตมารับทรัพย์เป็นค่าจีวรไม่ได้รับเฉพาะจีวรที่สมควรตามการถ้าทูตนั้นพึงกล่าวกับภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าก็มีใครผู้เป็นไวยวัจกรของท่านบ้างไหมภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงคนวัดหรืออุบาสกให้เป็นไวยวัจกรว่า ผู้นี้เป็นไวิยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายถ้าทูตตกลงกับไวยาวิวจกรแล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเขาไปเจ้าตกลงกับคนที่ท่านแนะนําว่าเป็นไวยาวัวจกรแล้วท่านจงไปหาในเวลาอันสมควรเขาจะนิมนต์ท่านให้ครองจีวรภิกษุทั้งหลายภิกษุต้องการจีวรพึงก็ไปหาไวยาวัวจกรแล้วทวงหรือเตือนสองสาครั้งว่าอาตมาต้องการจีวรเมื่อทวง หรือเตือนสองสามคร<ล>ั้งให้เขาจัดจีวรสำเร็จได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สำเร็จพึงไปยืนแสดงตนนิ่งนิ่งถึงสี่ครั้งห้ครั้งหรือหครั้งเป็นอย่างมากเมื่อยืนแสดงตนนิ่งๆิ่งถึงสี่ครั้งห้าครั้งหรือ6ครั้งเป็นอย่างมากแล้วให้เขาจัดจีวรสำเร็จได้นั่นเป็นการดีถ้าพยายามเกินกว่านั้นให้เขาจัดจีวรสาเร็จได้ต้องอบัตินิสักคยปาจิตตี ถ้าไม่สำเร็จพึงไปเองหรือส่งโทษไปในสํานักที่เขาส่งทรัพย์เป็นค่าจีวรมากล่าวว่าทรัพย์เป็นค่าจีวรที่ท่านส่งไปเจาะจงภิกษุรูปใดไม่ได้อํานวยประโยชน์อะไรแก่ภิกษุรูปนั้นเลยท่านจงทวงทรัพย์ของท่านคืนมาทรัพย์ของท่านอย่าเสียหายเลยนี้เป็นการทำที่สมควรในเรื่องนั้นเรื่องพระอุปนันธาสากยบุตรจบ